นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนาโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> บัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกะเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตั้งสติระลึกให้ได้ยาให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตใจการภาวนานี้ที่ท่านให้หลับตาไม่ใช่ให้หลับให้นอน ตาใจให้แจ้งทำใจให้สงบให้ตั้งมัน่นรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเป็นเวลาตัด ก, กระแสอารมณ์ต่างๆอันมีอยู่ในจิตในใจของเราให้หมดสิ้นไปเวลาฟังทมเวลานั่งขัดสมาธิ ให้ดูร่างกายเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วสแสดงความองอาจกลาหารเพื่อจะตัดบวงหวงอาลัยกิเลสตัณหาในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปในขณะนี้บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่ของทาเล่นจะต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนาธรรมจริงๆ เป็นการยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงใครพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นจะเป็นที่พึ่งตลอดไปไม่ได้คําว่าตนเป็นที่พึ่งหมายถึงการปฏิบัติบูชาภาวนา หมายเอาการบำเพ็ญทานรักษาศีลปฏิบัติบูชานี่แหละเรียกว่าเป็นที่พึ่งได้จริงๆแม้ถ้าบุญบรารมียังไม่แก่กล้าสามารถบรารมีธรรมที่เราประกอบกระทาอยู่นี่แหละมันจะค่อยมีกำลังขึ้นไปโดยลำดับลาดับ และไม่ต้องไปล่องขอจากบุคคลผู้ใดคนอื่นผู้อื่นจะหยิบยกให้ไม่ได้เพราะว่ากิเลสตัณหามานะทิฐิในใจของมนุษย์คนเหล่านี้มันมีมากมายก็ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สร้างมันขึ้นทำมันขึ้น ไม่ว่าพระท่านจะเทศจะทำอะไรก็ตามให้ศีลท่านก็ตั้งนโมฟังเทศจะเทศท่านก็ตั้งนโมนโมนั้นหมายถึงตัวของเรานั่นแหละตั้งใจเมื่อใจของเราตั้งขึ้นมาแล้วเรื่องวรนอบน้อมกราบไหว้บูชาพระพุทธเธจ้า โคเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาจึงมีการน้อมนึกล้ำลึกทุกครั้งที่มีพิธีการทางพุทธศาสนาและลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าเมื่อเราลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อให้จิตใจเรานี่แหละตั้งใจสร้างคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้น โดยเฉพาะในเวลานี้แล้วเป็นเวลาเข้าได้เข้าเข็มเป็นเวลาตั้งจิตตั้งใจในทางสมาธิภาวนาให้ทำจริงๆเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องปล่อยวางก็คือว่าอารมณ์อดีตอนาคต จะเป็นเรื่องดีใจเสียใจอย่างไรก็ตามไม่ต้องให้มันเข้ามาดองอยู่ในใจไล่กิเลสเหล่านั้นให้มันสะเพิดให้มันออกไปหมดให้เหลือแต่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่นึกบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ในใจนั้นอย่างเดียวหรือจะเอาอบายใดมานึกมาน้อมก็ให้มันแน่วแน่ใ น, ในใจิตใจนั้น ตัดกระแสอารมณ์อันเป็นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเก่าก่อนออกไปให้หมดสิน้นขณะนี้เวลานี้ให้ใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ปักมั่นลงไปมาให้เป็นจิตใจที่ฟุ้งซ่านลำคาลรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลส เอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องละลึกเครื่องเจริญว่าพระพุทธเจ้าตัดกิเลสความโกรธได้เราก็ตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาเอาจนตัดกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโกรธให้หมดไปสิ้นไปจึงชื่อว่าเป็นผู้ตั้งใจ พระพุทธเจ้าพระอาราหันตาเจ้าทั้งหลายท่านเลิกละตัดความโลภคือความอยากได้ลาคตันหากัวโลภโลภคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพอตภะธรรมารมณ์ต่างๆนั่นนะไม่ให้มีโลภจิตเดี๋ยววันเลิกละอาการโลภจิตให้หมด เพราอะไรก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระอรหรันต์ตาเจ้าทั้งหลายท่านเลิกละความโกรธความโลภความหลงในจิตใจของท่านออกไปได้หมดเมื่อเราต้องการความสงบสุขเยือกเย็นภายในจิตใจของเราเราก็ต้องเลิกละความโกรธความโลภความหลงด้วยการบริกรรมภาวนาพุทธโธทําใจให้สงบ รวมใจใ ห, ให้หยุดให้อยู่ภายใน <im> ไม่ปล่อยให้อำนาจราคตันหากิเลสต่างๆมาหมักหมมอยู่ในดวงใจตั้งใจให้มันสูงส่งคือให้จิตใจนี่เกิดความยินดีพอใจในการปฏิบัติธรรมะไม่ให้จิตใจเหียวแห้งท้อถอย ท่านจึงตรกลาวไว้ว่าเวลาเราทำความดีโดยเฉพาะเรานั่งกรรมฐานภาวนาพุโทโธอยู่จงทำความปีติยินดีในการที่เรามีชีวิตมาถึงวันเวลาเดี๋ยวนี้ไม่ตายเสียก่อนชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้ เราจะไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทับถมจิตใจของเราอีกต่อไปจะยกจิตใจให้สูงคำว่าสูงคือไม่ไปยินดีพอใจกับรูปเสียงกิ่นรสพอธพระธรรมอารมณ์อะไรอะไรทั้งหมดันหายใจนี่มันสงบตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆ จะมีอารมณ์ใดๆมาขัดข้องหมองใจภายในไม่ให้มีตัดออกไปละออกไปวางออกไปพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราาสมก ว, ว่านนัตทีเมสละนังอันอยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทธโธเมสละนังวลังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเลิศล้ำของข้าพเจ้า เพื่อจะได้จิตใจอันตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติใจของคนเรานั้นถ้ามันท้อแท้อ่อนแอลงไปไม่ภาวนาในใจจิตใจอันนั้นมันหดมันหูไม่รู้ธรรมมีแต่ความท้อแท้อ่อนแอกลัวตายเวลาจะสร้างคุณงามความดีอันใดให้บังเกิดมีขึ้น จิตใจที่ไม่ตั้งไม่ภาวนามีแต่ความท้อถอยชื่อว่าถอยหลังเข้าครองถอยหลังไปไม่เอาหน้าไปถ้าเอาหน้าไปก็ได้แก่เราตั้งใจบำเพ็ญบรกองการกุศลของตนให้เต็มที่ไม่ให้จิตใจย่อหย่อนท้อถอย แม่ความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นก็อย่ามาหลงยึดหลงถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าไม่สบายการปฏิบัติบูชาภาวนานี่มันไม่ตายถ้าหากว่าผู้ใดปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบั ง, งบ นั่งสมาธิภาวนาเดินจมกลมแล้วก็ตายเอาตายเอาคงไม่มีคนในโลกพระองค์ใดทาก็ตายเอาจะมีผู้ใดสำเร็จมรรคผลที่ไหนกิเลสมารพยามานมันหลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาต่างหักอย่าไปกลัวนั่งภาวนาให้มันสงบ เอาจนจิตใจเย็นสบายลงไปพุทธสาวกในขั้งพุทธการทั้งญาติทั้งโยมทั้งหญิงทั้งชายเด็กเด็กที่สุดเยก ว, วเจ็ดขวบท่านสามารถอานหานภาวนาในจิตในใจของไม่ได้บวชเป็นญาติเป็นโยมก็าตามท่านเลิกได้ละได้ตัดได้กิเลส เพราะจิตใจของท่านไม่ท้อถอยมีความเพียรอย่างลงไปในหัวใจปฏบิบัติบูชาเจ็ดครท่านก็ได้เป็นพระโสดาปฏิผลเป็นพระ ส, ระสกิทาคามิผลเป็นพระอนาคามิผลเป็นพระอรหันตาจินาสุได้ทั้งนั้น น้าแล้วท่านเหล่านั้นทำไมไม่ตายเทนี้คนแก่ๆมาบวชในศาสนาจนกระทั่งว่าจะหาใครเป็นอุปชาอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะมีเมื่อท่านบวชแล้วท่านก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาจริงๆ จนได้บรรลุเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอราหันตาหรือยังไม่บวชบางคนก็เรียกว่าไม่ได้บวชแต่ก็ตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเลิกละกีเลตันหาในจิตใจของตนของตนให้หมดสิ้นไปคนสมัยเก่าก่อนโบราณนั้น โยบ้านท่นทนาน ก, ก, ก็ละกิเลสได้โยวัดท่านก็ละกิเลสได้มาบวชก็ละกิเลสโยไม่ได้บวชก็ละกิเลสได้การละกิเลสมันเป็นความเพียรภายในจิตไม่ใช่เป็นแค่สมมุติไม่เป็นแค่ว่านุ่งเหลืองนุ่งขาวอันนั้นพลาดหอหุ้มร่างกายหมายเพ่ การภาวนาทำความเพียนเพื่อละกิเลสนั้นมันเป็นเรื่องจิตใจศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในใจนั่นแหละเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วสิ่งที่เราว่ายุ่งยากทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แต่เมื่อเกิดศรัทธาขึ้นมาในใจเต็มที่แล้ว มันทำได้ละได้ภาวนาได้ไม่กลัวเจ็บ ก, กลัวไข้ไม่กลัวตายแล้วมันก็ไม่ตายจริงๆมันโกโหกพกลมกิเลสมาสังขารมาดอย่าไปเยอดไปถือมันต้องตั้งใจลงไปปักหลักสู้ปักหลักลงไปในใ จ, ใจิตใจจะมีเรื่องราวอะไรกระทบตากระเทือนหู หรือจนจะมาก็เอาร่างกายนี่ให้แตกให้ตายไปก็ตามเจตเราจะไม่ท้อถอยจะไม่ถอยความเพียรจะเป็นผู้มีความเพียรมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเมื่อตั้งใจเหมือนแผ่นดินแล้วชนะได้ทุกอย่างทุกประการไม่มีภัยอันตรายใดๆทั้งนั้น สมัยพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาในคืนที่จะได้ตรัดสดูเป็นพระพุทธเจ้าท่านเอาชนะได้ทุกอย่างทุกประการท่านไม่กลัวไม่หวาดสะดุง้งตายมันก็ธาตุดินเขาตายธาตุน้ำเขาตายธาตุไฟเขาตายธาตุลมเขาตาย แกก็ธาตุดินน้ำไฟลมเขาแกเจ็บก็ธาตุดินน้ำไฟลมเขาเจ็บพระพุทธเจ้าไม่กลัวแม่เราเราท่านทนก็เหมือนกันอย่าไปกลัวมันเดี๋ยวนี้เรากำลังเข้าสู่สงครามเรียก ว, ว่าสังขาม e, สงรามกิเลสสงฆามกิเลสนี่แหละถ้าผู้ใดลบได้ชัยชนะ ละกิเลสลาคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปแล้วไม่มีสงครามใดจะดีวิเศษกับเท่ากับสงครามกิเลสละกิเลสลาคะโทสะโมหะนี้เพราะสงครามทางโลกนั้นแม้จะเป็นสงครามโลกขั้นที่หนึ่งที่สองก็ตามยังเป็นสงครามเล็กสงครามนอด สงครามที่สู้กับกิเลสในหัวใจของทุกๆคนนี่แหละเรียกว่าเป็นสงครามโลกใครเอาชนะได้ก็ไม่ต้องมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ต้องมาแก่ในโลกนี้อีกไม่ต้องมาเจ็บไข้ได้พยาธในโลกนี้อีกไม่ต้องมาหลงรักหลงชังในโลกอันนี้อีก เราเป็นสงครามภายในเป็นสงครามใหญ่ใครเอาชนะแล้วก็เรียวได้ใช้ชนะเรื่อยไปพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านได้สะดบับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านตั้งอกตั้งใจทำความเพียรภาวนานั่งก็ภาวนา ยืนก็าภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็มีสติภาวนาเรื่ยไปผลที่สดกิเลสมานสังขารมานก็พ่ายแพ้ไปเองท่านดับกิเลสความโกรธดับกิเลสความโลภดับกิเลสความหลงด้วยการภาวนาด้วยการเดินจงกลมท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ เพราะท่านไม่กลัวกิเลสมารสังขารมารเหล่านั้นท่านลุกขึ้นตื่นขึ้นบำเพ็ญภาวนาจริงๆเมื่อกิเลสลาคะโทสะโมหะนี่ยังไม่ตายเราจะไม่ถอยความเกี่ยนพระพุทธเจ้าพระองค์ ตั้งใจลงไปว่ากิเลสทั้งหลายแหละ่นะตราบใดที่มีอยู่ในใจของพระองค์ <c oughs> พระองค์จะไม่ท้อถอยแม้ <c oughs> ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีถ <c oughs> ือว่ามันจะตายก็ไม่ถอยไม่ท้อแท้อ่อนแอนในหัวใจ ลกขึ้นภาวนานั่งภาวนายืนภาวนาเดินภาวนาไปไหนมาไหนก็ภาวนาเป็นนิพ จ, จะสินเรื่อยไปปาราลบความเพียรในใจอยู่เรื่อยไปมันตายเมื่อใดกอนานแหละหยุดกันทีมันยังไม่ตายมันยังมาเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคล เราก็จะลุกขึ้นภาวนาตั้งอกตั้งใจอย่างนี่ด้วยไปจงพยายามในใจของตนให้ได้ไม่มีใครแล้วจะช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองเร้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นผู้อื่นนั้นเป็นเพียงแนะนำตักเตือนบอกลั่งสั่งสอน เวลาจะทำเอาจริงๆนะ่ะมันเป็นเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องจิตใจภายในเรียกว่าเป็นเรื่องจิตใจของเราเองจิตใจนั่นแหละมันก็จะต้องเกี่ยวโยงถึงกายด้วยถึงตัวนี่ด้วยจะไปดีแต่ใจกายทำไม่ดีมันก็ดีไม่ได้วาจาพูดไม่ดีมันก็ดีไม่ได้ ดีทั้งกายคือความประพฤติการกระทาดีทั้งวาจาคือวาจาไม่โกหกพกลมไข่ดีทั้งใจคือใจภาวนาพุทธโธอยู่สม่ำเสมอใจไม่ขี้เกียจขี้ค้านใจมันขยันเพราะว่าคนเหล่านี้ จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมันเป็นใหญ่เป็นประธานอยู่ในกายวาจาจิตนี้หรือในโลกนี้จิตมันเป็นใหญ่ไม่แท่กายเป็นใหญ่กายโลกประขันอันนี้มันเปรียบอุ ป, ปมาเหมือนกับว่าเป็นเครื่องใช้ของจิตใจสุดแท้แต่ว่าจิตนั้น จะมาใช้ให้ร่างกายทำบุญทำบาปก็ได้ทุกอย่างเพราะกายมันไม่รู้อะไรมันเป็นเพียงรูปประขันรูปประขันนามะมขันตัวมารตัวกิเลสเท่านั้นเองถ้าจิตไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์มันก็จะมาพารูปร่างกายนี่ไปทำบาป บาปก็จะมากขึ้นถ้าจิตรู้จิตเข้าใจในธรรมปฏิบัติก็จะพากายวาจาจิตนี้บำเพ็ญทานการกุศลรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดเบ็ะเล็ดมากมายให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก็หมายถึงจิตใจนั่นแหละรักษาศีลก็มาขัดเกลาจิตใจนี้ขัดเกลากายวาจาจิตอันนี้นั่งสมาธิภาวานา น, นั่งกรรมฐานบริกรรมพุทโธพุทโธก็มาขัดจิตใจอันนี้มาให้จิตใจนี้ย่อย่อนทอดถอยในการปฏิบัติบูบชาภาวานาน วันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามจงถือว่าเวลาปัจจุบันเป็นหลักแห่งการปฏิบัติไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจาาณอย่างโน่นอย่างนี้ดูเวลาเราเกิดมาเราแบกหามบุคคลผู้ใดามาด้วยไม่มีตัวคนเดียวเกิดมาแท้แท เมื่อใหญ่แล้วเราก็ตัดกระแสเหล่านี้ออกไปไม่ต้องห่วงใครห่วงว่าชีวิตของเราจะแตกดับก่อนที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลยังไม่เห็นแจ้งธานิาพพานเราจะต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นไม่ต้องไปรอคนนั้นคนนี้องค์นั้นองค์นี้ คนอื่นไม่ทำไม่ภาวนาช่างเขาจิตใจของเราเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปใครเป็นผู้รู้อยู่ในนี้ลมหายใจออกมาใครเป็นโฟลู้อยู่ที่นี้มันมีกี่เจตกีใจดวงใจโฟลู้อยู่ในตัวในใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้นะมันมีจิตใจดวงเดียวนี่ละ่ะ ที่ได้ยินได้ฟังอยู่เมื่อใจดวงนี้มีโยภายในตัวของเราจะมาท่อแท้อ่อนแอไม่ได้ชำระจิตใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากลูกนามกายใจใหอสมก็ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงไว้ว่านา ม, มารูปังอนิจจังนามเดลูไม่ นามก็หมายถึงจิตโลกก็หมายถึงตัวทั้งตัวทั้งใจมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตยามาหลงยึดเอาถือเอาปล่อยวางเลิกละออกจากตัวจากใจในเวลานี้ให้ได้นามารูปังทุกขังนามและโลกเป็นทุก ก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละร้อนมากก็เป็นทุกข์หนาวมากก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์กินมากก็เป็นทุกข์มันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นจงโดูจงพิจารณาจงทําความเข้าใจเสียใหม่อย่าได้ตามหลังกิเลส เดินหน้ากิเลสเดินก่อนกิเลสเตือนใจของเราทุกคนทุกดวงใจเอาพุโทโธพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึงพุโทโธดวงจิตผู้รู้นั่นแหละดวงพุโทโธเมื่อมาชำระแก้ไขจิตใจดวงผู้รู้อยในจิตในใจได้ จิตดวงนี้ก็จะแจ้งสว่างสวัยไม่ลหลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจก่เลสลาคะโทสะโมหะอีกต่อไปเรียก ว, ว่าปารบความเพียรไม่ให้ลั่างหลอไม่ให้ลหลงไหลตั้งใจลงหลักปัจจุบันํำว่าปัจจุบัน เือเดี๋ยวนี้เวลานี้ด้วยไปกิเลสอันใดมันจะเข้ามาก็เลิกละให้ได้ในปัจจุบันกิเลสภายในมันจะพุทโธขึ้นมาให้จิตใจเราหลงไหลไปดดับละมันในที่นี้ที่ปัจจุบันนั่นแหละปัจจุบันนันจะโยธรร ม, มตะตถะตถาวิปัสสติ ทำอันเป็นปัจจุบันน่ะทำคือจิตใจของเราท่านทั้งหลายนี่แหละให้มีความตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์ใดๆเวลาใดก็ให้ถือว่าเป็นเวลาทําความเพียรละกิเลสให้หมดสิ้นไป กิเลสยังไม่หมดสิ้นไปนั่นจะไปหลงไหลอ ย, อยู่แค่ <c oughs> การกินการนอนส <c oughs> นุกเฮ ห, หาวุ่นวายภายนอกยิ่งเพิ่มความลุ่มหลงมัวเมาให้บังเกิดมีขึ้นอีกไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตัดไว้ว่าคนเราที่ไม่พ้นทุกภัยในโลกในวัฏสงสารนี่ ก็เพราะตัณหาในจิตเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระองค์ทรงตัดว่านาทิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเจ้าตัณหาเนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นตัวการอันสําคัญผู้ใดเลิกตัณหาได้ตามมาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา คือใจไม่สงบไม่เลิกไม่ละไม่หยุดไม่ตั้งนั้นก็วุ่นวายไปตามรูปรสกลิ่นเสียงไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าตามตันหาไปก่อนจะมาเกิดในภพนี้ชาตินี้มันก็ตามตันหามามาเกิดแล้วในภพนี้ชาตินี้มันก็ลงไปตามอำนาจของตันหา เวลาภาวนาท่านจะให้รวมจิตรวมใจสงบตั้งมั่นจนไม่มีอารมณ์ใดที่จะมาเกอกเกี่ยวน่วงเหนียวในหัวใจได้เพราะตั้งใจบริกรรมทำใจให้สงบเห็นแจ้งในหลักอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นแจ้งในหลักทุกขังความเป็นทุกข์ เห็นแจ้งในหลักอนาตารูปนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราเป็นธาตุโลกของเขาอย่างนี้ต่ง้งหับเมื่อใจอันนี้ยังมีกิเลสราคะโทสามโมหย ม, มก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่อย่างนี้ จงดับลังับความเล่าร่อนเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติบูบชาภาวนาในจิตใจของตนให้แข็งคัดไม่ต้องให้มันมาโกหกพกลมหีิบต่อไปขึ้นชื่อว่าจีเลสในลูกในนามในตัวในตนในเราในของของเรามันไม่มี อย่ามาหลงยึดถือเอาเลิกละเดี๋ยวนี้ภาวนารนวมจิตรวมใจเข้าไปภายในเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ให้มันหมดสิ้นหายไปจากจิตใจต้องมีจิตใจอันเข้มข้นอย่าได้มีความทอดแท่อ่อนแอในดวงใจ นล้ว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราจะไม่หลงหลืมเราจะตัดบวงหวงอาลัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจของเราให้ชิ้นสุดลงเสียทีในบัดนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้คืนนี้เวลานี้ตั้งจิตอันนี้ลงไป จนกระทั่งความลุ่มหลงมัวเมาต่างๆไม่มาดองอยู่ในจิตในใจได้จองเห็นว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นโรคสังขารตัวตนสัตว์บุคคลต้ตนไม้ภูเขาอะไรก็ตามเห็นว่าขึ้นเชื่อว่าสังขารทั้งโลกทั้งนามทั้งคนทั้งสัตว์ทางวัตถุธาทั้งหลาย มีความไม่เที่ยงเรียกว่าสัพเพสังขารนะสัพเพสัพพะก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวล น, นี่แหละอา น, นิจจาก็คือความไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจ์ขึ้นชื่อว่าสังขารจะเป็นลูกคนโลกสัตว์โกวัตถุเข้าของอันใดก็ตามสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยสัพเพธรรมมาอนัตตาติทมอารมณ์ในจิตในใจนั้น ก็ไม่ใช่ตัวตนของหลับยาได้หลงยึดเอาถือเอาทำทั้งหลายเป็นอนัตตาท่านมาให้ไปยึดไปถือความลุกของเราเอือว่าในหัวใจของเราเนื้อีิเลตลาคะอยู่ไหม ข้ามือก็ให้ละกีเลสลาคะนั่นออกไปในใจของเรานื้มีโทสะอยมิข่มือโทสะอยู่ก็ให้ลกโทตสอเจริญนั้นออกไปในใจิตในใจของเรานี้มีความผิดช้าพยาบาง โยในยใจของเราไหมห้ามเลือนนกแตให้ละเวลาหน้าสมาธิภาวนาเนียละในจิตใจของเรานี่นมีโมหะเจ็บหลง <c oughs> เกิดมองหมายของพระศาสดาสัมมาสมษษัมพุทธเจ้าของเรานั้นมงหมายให้สาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมะทั้งัวมาละกีเลสความโกรธละีิเลสความโลและกีเลสความหลงให้หมดไปขึ้นไป เป็นจกดมุ่งหมายของพระบร ม, มาศาสดาอาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาภาวนาเราต้องถึงดูในใจของเราว่าจกดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำตามทุกอย่างหรือยังถ้ายังไม่ทำยังไม่เลิกไม่ละ ก็ให้เ ล, ลิกละมีลา น, นี้ขนาดนี้ยังจิตใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นคำว่าตั้งมัน่นคือว่าตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในการรักษาถิ่นภาวานาตั้งมั่นอยู่ในสมาธิจึตจิตให้มีสติ เราลึกโยเสมอไม่ให้ขาดสติควว่าสติคือความละลึกได้ความละลึกได้เอามาจากไหนก็เอามาจากดวงจิต ด, ดวงใจผู้รู้โยในตัวในใจนี่แหละเมื่อเราเอาสติเอาใจดวงนี้มาระลึกโย ในเวลานะั้นว่าเรานั่งแบบไหนนั่งสมาธิก็ให้ใจมั่นของลงไปเมื่อกายนั่งจิตก็ให้นั่งคือว่าให้รวมให้สงบลงไปเมื่อรวมลองโซโดวงจิตดวงใจได้จิตสงบนั่นแหละได้เหวนนั่งภาวนา นั่งกรรมฐานนั่งวิปัสนานั่งสมถกรรมฐานนั่งวิปัสนากรรมฐานท่านหมายเอาจิตใจนั้นเป็นการนั่งสมถะนั่งภาวนาพาไปปล่อยให้จิตใจสังขารยิงยาน ใจกิเลสตัณหามาย่ำดีหัวใจเรานั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินไปมาที่ไหนก็เป็นทุกข์นี่คือว่าจิตไม่นั่งจิตไม่ตั้งจิตไม่หยุดไม่อยู่เมื่อจิตไม่หยุดไม่โย่ความเมตตาการลน กัลลุณามุทิตาอุเบกขาก็ไม่ปรากฏขึ้นในจิตนั้นพระพุทธ อ, องค์ท่านจึงสอนเมตตาเมตตากว้างเมตตาหลวงไว้คือว่าอย่าเป็นคนเต็มไปด้วยโทสะโมหะอวิชชาตัณหา จองเพ่งมองในจิตในใจของตัวเองว่ามนุษย์และสัตว์ทางหลายในโลกนี้นับแต่ตัวเราออกไปจนถึงมนุษย์ผู้อื่นสัตว์อื่นแม้เขาจะเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็าตามเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกับเรา ความทุกนั้นไม่มีสัตว์ตัวไหนไม่มีคนใดต้องการความทุกข์เมื่อเราไม่ต้องการความทุกเราอย่าเอาความทุกไปให้บุคคลผู้อื่นเมื่อเราต้องการความสงบเราก็ต้องบำเพ็ญภาวนานั่งสมาธินั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนา รวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมัน่นส่วนอาการภายนอกพระองค์ให้ตั้งจิตใจไว้ให้กว้างขวางเคยในโลกเหล่านี้เบื้องบนที่สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้แก่พวพัคคะพร พร ม, มาโลกที่สูงสุดท่านให้ชื่อว่าพวัคคพกเป็นชรมธรรมดาในโลกเบื้องต่ำใต้ที่นั่งเราลงไปที่สดของเบื้องต่ำได้แก่อเวจีมหานรกขึ้นมาหาที่เรานั่งนี้ ส่วนวงกลมออกไปกว้างขวางก็ให้ตั้งจิต <c oughs> อยู่ในเมตตาว่าหมื่นจั ก, กรวาลแสนโกรธจั ก, กรวาลอนันตาจั ก, กรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ในสถานที่กล่าวมานี้ ยองให้พากันโยเย็นเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเมื่อข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและอย่าเบียดเบียนข้าพเจ้าเลย อันนี้ท่านในตั้งใจไว้ในขอเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่ว่าจะสับจำพวกใดก็ตามเรียวกว่าทั่วไปในไลรโลกธาตุให้เขามีความสุขมีความสบายตามบุญกุศลของเขาเมื่อเราตั้งใจกว้างขวางอย่างนี้ให้ชื่อว่าเมตตา แห้มันเป็นในใจไม่ใช่คำพูดใคำพูดหรือการเขียนหนังสือจดจำไว้นั่นจะพอได้ง่ายแต่ว่าการทำในจิตในใจของตนของตนทุกดวงใจนั้นจะต้องตั้งใจไว้ในเมตตาท้ายนอกก็เรียกว่ากว้างขวาง อันนี้แล้วว่าเป็นเมตตาทั่วไปแต่ยังไม่มีกำลังดีเมตตาที่กว้างขวางอีกอย่างหนึ่งแล้วว่านในจิตใจของเรานี่แหละให้มีสติความระลึกได้ไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนั่งภาวนาอยู่ก็ให้มีสติ มีเครื่องเตือนใจอยู่ทุกเวลาในเมื่อเวลาตาเห็นโลกก็ให้มีสติหูได้ยินเสียงก็ให้มีสติยาโมกดองกินเหม็นหอมก็ให้มีสติกินเหม็นก็อย่าไปเพี๋ยไปทางมากินหอมก็อย่าไปดมมันอย่าไปยินดียินลาย เดี๋ยวมีสติเมื่อสติระลึกได้สมาธิก็ตั้งมัปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดเต็มที่ยานอันวิเศษยันละอีเลที่ลุ่มหลงนั้นก็เกิดขึ้นต้องมีสติทุกขณะทุกเวลา เล่งเล่มลดอาหารผ่านลิ้นอันนี้ตัวสำคัญต้องมีสติในเวลารับคือว่าได้มาซื้อหาแลเกเปลี่ยนมาก็ตามให้มีสติระลึกในลดอาหารผ่านเข้ามาในลิ้นก็ให้มีสติ เราลดลงไม่ให้เจตที่เต็มไปด้วยตัณหามาหลงไหลอยู่แค่รดอาหารหรือว่าหลงไหลอยู่แค่ปลายลิ้นจะกินเขาอย่างเดียวเวลาเขากินเราก็เดือดร้อนวุนว่นวายนี่คือว่าไม่ได้คิดให้ดีไม่ได้ภาวนาเพ่งดู การกินมนุษย์กินตั้งแต่ช้างลงมาหรือปลาหวานที่ใหญ่ที่สุดสัตว์น้ำก็เอามากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยโลกกุ้งลลกยงเรียกว่าเคยก็เอามาทำเป็นกระปิดน้าปลากินถ้าได้กินดีแล้วก็หัวเละาะเฮาตกมือผือผ้าไม่กลัวตาย ถ้าเพื่อนได้กินเขาแล้วกัดีแต่เวลาเขาจะกินตัวแล้วไม่ยอมแค่ลิ้มตัว น, น้อยๆมาตอมใบหูก็ไม่ยอมแล้วยุงตัวเล็กๆ เ, เท่าที่ตามากินจักสองสามตัวก็ไม่ยอมไม่ยอมแล้วยังไม่แล้วทุบให้มันตายด้วยมากินข่าทำไม ทางทั้งที่มันไม่กินเนื้อกินหนังขอกินแค่น้ำเลือดน้ำเหลืองเท่านั้นแหละข้าก็าไปก็ไม่ยอมนี่แหละมนุษย์คนเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาไม่ภาวานาจิตมันก็มาหลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะ สิ่งที่มาถูกต้องห่ากกายความสะดวกสะดาบมายของกายแล้วก็ทำมาลมอารมณ์ในจิตตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมกูกดมกลิ่นลิ้นเล่มลดกายถูกต้องโทษะพามันไปเป็นอารมณ์อยู่ในจิตถ้าอารมณ์ดีก็ยิ้มแย้มแมจมใส ถาอารมณ์เสียก็โทมนัสครับแทนงแน่นใจวุ่นวายที่สุดด้วยอำนาจของตามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาคือใจขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดภาวนานี่ลพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงสอน ให้พวกเราทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาถ้ามันนั่งเหนืยเกินไปก็ให้ลุกขึ้นยืนภาวนาเมื่อยืนภาวนามันเลดเหนื่อยเมื่อยหิวเกินไปก็เรียกว่าเดินภาวนาเดินภาวนานั้นคือว่าเดินจงกรม ให้จิตใจและร่างกายสะดวกสบายดีถ้ากิเลสปัญหามานะคิดฐีของผู้ใด ย, ยังแข็งกระ ด, ด้างหรือยังหนาแน่นมืดมนก็ให้ใชยเดินจงก่มนี้อย่างหนึ่งเพราะว่าการเดินจงลรมนี้ที่เศ้าเหงานอนก็ไม่เกิดขึ้น ถ้าเดินอยู่เกิดง่วงเหงาเหานอนก็จะตกทางจมกลมหรือว่าโดนไม้ชนอะไรต่อมิอะไรตามธรรมดาถ้าเดินแล้วก็เรีย ว, ว่าปลอดกร่งดีก็ให้เดินจมกลมเป็นภาวนาในจิตในใจเลื่อยไปในเวลาที่เดินจมกลมนั้น การเดินจงกลมนี้ก็สำคัญมีภาษาวกอง์หนึ่งในครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตจิตใจอยู่โน้นพระองค์หนึ่งเป็นลูกของคนมั่งมีลาบิดามานดามาบูตในศาสนาด้วยชัตศรัทธาอันแก่กล้า มุ่งหวังเพื่อผลิตัลความพ้นทุกภัยในวัฏสงสารเสียทีฟองเน้ น, นานพอมาบวชในศาสนาก็นั่งสมาธิแต่ว่านั่งสมาธินานสู้ไม่ค่อยไหวมันง่วงเหงาเขานอนเลยหลับเลื่อยสติขาดเป็นห่วงหวง ท่านองนั่งท่านก็คิดได้ไม่มีใครบอกท่านคิดได้ว่าเอการนั่งเราถ้าจะไม่ได้เลือกเราจะใช้อิริยาบทเดินจึงจะได้ความภาวนาจึงจะติดต่อสติสมาธิปัญญาจึงจะได้เลือกท่านก็ใช้เดินจงกรกกาหนดทางสั้นยาว าที่โล่งกว้างๆเอาอิริยาบถนี่แหละภาวนาพุทธโธในใจมันจะได้ไม่ง่วงเหงาเหาานอนไม่ฟุ้งซ่านลำคาดคือในวรนในจิตใจของคนเหล่าทุกคนนั้นทันว่ากามะฉันพยาบาทถีนามิทะอุดทัจะอ ก, กุจจะยิติจิตา ในวันทั้งห้านี้ถ้าไม่ชำระเป็นอุปสรรคจิตใจไม่พ่อใสสะอาดท่านองค์นั้นท่านก็เดินจงกลมเดินกลับไปกลับมาไม่ใช่เดินเล็กๆในน้อยเหมือนพวกเราเดินพวกเราเดินนี่ทางจงกลมไลลายลา ย, ยังลอยเท่ายังไม่ติดกันก็ยั่งแล้วหยุดแล้ว แต่ว่าองค์นั้นนะท่านไม่เอาอย่างนั้นเดินภาวนากายก็เดินไปจิตท่านก็เดินอยู่ในภาวนารวมจิตรวมใจพิจารณากายยาตาสติกมัฏฐานผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ต, ตับไตไส้พุงอยู่ให้จิตใจมันติดต่อเห็นลูกนามกายใจนี้ตลอด จนกระทั่งเดินนานจนเท้าแตกเท้าเจ็บเท้าแตกท่านก็ยังไม่ถอยความเพียนเอเมื่อเท้าแตกแล้วเลือดไหลแล้วทำอย่างไรท่านก็หยุดเดินแบบนั้นมานั่งคุกเขา่าขานเอามือทั้งสองขาน เท้าทั้งสาเขาทั้งสองขานไปก็ภาวนาพุโทโธไปพิจารณากายพิจารณาจิตด้วยไปเอาจนนานอีกเหมือนกันไม่ยอมให้มันหลับมันไหลไปได้ใจก็ภาวนากายก็คานไปอย่างนั้นเทนี้ว่าคานหนักเข้า เอาก็แตกไปมือก็แตกเอาทีนี้เดินสี่ขาก็ยังแตกอีกเดินไม่ได้คานไม่ได้แล้วมันเจ็บท่านก็ยังไม่ถอยความเกียนมุ่งอยู่ในภาวนาของท่านทีนี้ท่านก็ได้ความขึ้นมาว่าเอง เราต้องนอนแหละทีนี่นอนขวางทางจงกรมยาวเยียดแล้วก็พลิกตัวเอาเอาวนาพุทโธไปให้จิตให้ใจไม่ไม่ขาดสติมีสติอยู่ทุกเวลาร่างกายก็พลิกไปกลิ้งไปจนสุดทางจงกรมสุดแล้วก็พลิกกลับมา อย่างเก่านั้นทีนี้ตอนนานอนเหยียดยาวนี่ไม่มีที่ไหนแตกเพราะว่าความหนักของร่างกายมัน ไ, ไม่ไปทวงที่กลงใดกลงหนึ่งก็เลยได้อุบายทำดีเอาภาวนานอนภาวนาแบบปลิ้งปลิ้งไปพิกไป จิต ใ, ใจของท่านก็ไม่ท้อไม่ถอยยิ่งเกิดความปีติยินดีในธรรมปฏิบัติในความเพียรความหมั่นความขยันของท่านเองมีธรรมปีติเป็นอาโรต์ท่านก็ภาวนา น, นอนกลิ้งไปอย่างนั้นแหละนานเท่าไรไม่รู้ละ จนกระทั่งสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะได้อย่างเด็ดขาดปล่อยวางโลกนามกายใจได้ว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเกดที่ลดพ้อนออกจากหน้าตาตัวตนสัตว์บุคคลโน้นต่างหาักเป็นธรรมะพิเศษ พิเศษออกจากโลกพิเศษออกจากน้ำพิเศษออกจากความสุขความทุกข์ของโลกียะเจตของท่านก็เท่ากันกนว่าหลุดพ้นลอยออกจากร่างกายสังขารเม้าผู้ใดทุกองทุกขอนถ้าจะเอาให้พ้นทุกทามันเกิดง่วงเงาหานนอนให้เอาอย่างพระองค์นี้ เชื่อแน่ว่าทุกคนที่ได้ยินอยู่ในพ้นทุกได้แต่ี่พวกเราทั้งหลายทำอะไรไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหนวดคือกลัวเจ็บเพราะว่าในแผ่นดินนั้นหมอแพทยแผนปัจจุบันเขาว่าเชื่อโลกเยอะแยะ ถ้าเดินไปไม่ใส่รองเท้าก็เชื่อโลกเข้าที่เท้าอันนั้นมันเป็นเรื่องของหมอแพท์หมอแน่สู้ภาวนาทำความเพียรรักกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันหมดมันสิ้นไปแล้ว การมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอย่างที่เราเราท่านท่านเป็นอยู่ไม่มีถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมาท่านก็กำหนดพิ่เจรนาว่าโลกอันนี้เป็นหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องชร า, าต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องจิ้ต้องทาย ต้องนุ่งผ้าพอนท่อนสบายจะต้องมีที่พักที่อาศัยบ้านเรือนกุฏิวิหารเมื่อเจ็บไข้ใดป่วยก็กินยกกินยาอะไรตอนน่อมีอะไรจีปาถักในเรื่องโลกประหันอันนี้แต่เมื่อจิตนั้นมันพ้นจากความยึดความถือแล้ว เจตนั้นก็มีกำลังเมื่อเจตไมกกำลังมีพลังงานในจิตเจตอันนั้นเป็นชานเป็นสมาบัติเป็นพลังบุญกุศลเลยที่เราคิดว่ามีโรคมีภยัยเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปนั้นเลยหายไป พอพลังจิตมันเป็นยาเป็นพุทธโอสดธรรมโอสดสังฆโอสดจิตของท่านก็ไม่ทุกข์ส่วนโลกร่างกายมันก็ทุกข์อยู่ตามธรรมดาของโลกประขันเมชลาพยาธิมลณนะแกเท่าไปก็ตายเหมือนกันไม่มีใครเหลือ ตายแล้วก็เปื่อยเน่าเหม็นเหมือนกันหมดไม่มีใครตายแล้วหอบตายแล้วก็เผาไฟฝังดินเหมือนเหมือนกันหมดไม่ว่าคนในกรุงคนในเมืองคนบ้านนอกก็กรรมเม็ดตายแล้วก็เหมือนเหมือนกันหมดพระบาทสดาจพรส ม, มาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมจึงสอนสาวกในครั้งพุทธการอย่ามีความท่อแท่อ่อนแอในดวงจิตดวงใจถ้าใจิตใจยังไม่หลุดไม่พ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะ ยังถอนตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างในกายในตัวในตนในสมมุตินิยมนี้ไม่ได้ก็ต้องมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าถอนออกได้ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกลรม ทำละจิตใจของตัวเองให้บริสุทธิ์หลุดพ้อนออกจากที่เหลสแล้วยังไม่ตายมันก็ไม่มีทุกข์ทุกข์มันเป็นเรื่องของโลกปัะขันเรื่องของขันธ์ทางธาเรื่องของสังขารเมื่อจิตผู้ใดปล่อยวางออกได้มันเป็นจิตใจพิเศษอยู่เหนือลอก อยู่เหนือโลกเหนือถับที่จะเป็นไปได้ก็อยู่ที่นั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรละกิเลสนี่แหละพยายามเพียรพยายามเลื่อยไปจาฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนี่เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้ว ก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญอีหวังก็มีด้วยกระกาศนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยจุกิติคารโยโกภะอะอิวาธนาชิริสนิจังบุทธาปาจิโน ยัตตาโรโอธรรมมาวทันติอายุวันโนสุ ข, ขังภาลา